อักิวัตชโคตตสูตรเรื่องเรื่องที่ทรงสอนคือความเกิดดับของเบญจขันธ์คราวหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเจตาวันปริพาชกวัชโคตเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ณที่ประทับทูลถามเรื่องความเห็นเกิดทิฏฐิซึ่งล้วนแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิจิตยางคือหนึ่งโลกเที่ยงสองโลกไม่เที่ยง สโลกมีที่สุดสี่โลกไม่มีที่สุดห้าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นหชีวะก็อย่างสรีระก็อย่างเจสัตว์หลังจากตายแล้วมีอยู่แปสัตว์หลังจากตายแล้วไม่มีเกสัตว์หลังจากตายแล้วทั้งมีทั้งไม่มีสิบสัตว์หลังจากตายแล้ว จะว่ามีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ท่านวัชโคตูลถามว่าทรงมีความเห็นตามทิฏฐิเหล่านี้ในข้อหนึ่งข้อใดหรือไม่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธทุกข้อเมื่อทรงปฏิเสธความเห็นเช่นนั้นทุกข้ อ, ท, ท, ขอท่านวัชโคตก็ทูลถามว่าแล้วทรงมองเห็นโทษอะไรจึงไม่ยอมรับทิฏฐิเหล่านี้พระพุทธองค์ตรัสว่า ทิฏฐิทั้งสิบนั้นเป็นทิฏฐิรุกชัดเป็นทิฏฐิกันดารเป็นทิฏฐิเช่นน้ําเป็นทิฏฐิหัดแขวงเป็นทิฏฐิปูกมัดสัตว์ไว้กับภพเป็นทิฏฐิแฝงไว้ด้วยความทุกข์ความลําบากความขับแคนความเข้าร้อนไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกําหนัดดับสนิทสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานท่านวัชโพทุทธุนถามว่าแล้วพระองค์มีความเห็นแบบไหนตรัสตอบว่าความเห็นในสิบเรื่องนั้นทรงขจัดทิ้งทั้งหมดความเห็นของพระองค์อยู่ในเรื่องความเกิดความดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือทรงรู้ว่าเบญจขันธ์ทั้งห้านี้เกิดอย่างไร ดับอย่างไรเพราะทรงมีความรู้ในเรื่องนี้จึงทรงหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดเพราะไม่มีความสำคัญมั่นหมายไม่มีความยึดถือว่าเป็นเราว่าเป็นของเราและไม่มีความถือตัวนอนเนื่องอยู่ในจิตยอย่างสิ้นเชิงเรื่องพระอรหันต์นิพพานแล้วเกิดหรือไม่เกิดอีกต่อไปนี้เป็นคำถามคำตอบ ระหว่างปริภาชควัชโคตกับพระพุทธองค์เรื่องผู้มีจิตหลุดพ้นเด็ดขาดคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายโดยท่านวัชโคตเป็นผู้ทูลถามและพระพุทธองค์ตรัสตอบวัชโคต ถ, ถามว่าพระอรหันต์จะเกิดนับที่ไหนพระพุทธองค์ตรัสตอบคำว่าจะเกิดก็ใช้ไม่ได้ไม่เข้ากับเรื่องนี้ ไม่ถูกใช้กันไม่ได้วัชคูตถามว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่เกิดพระพุทธองค์กรัตอบคำว่าไม่เกิดก็ใช้ไม่ได้วัชคูตถามว่าถ้าอย่างนั้นก็ทั้งเกิดและไม่เกิดพระพุทธองค์กรัสตอบคำว่าทั้งเกิดและไม่เกิดก็ใช้ไม่ได้วัชคูตถามว่าถ้าอย่างนั้นจะว่าเกิดก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่พระพุทธองค์ตรัตอบคำว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ก็ใช้ไม่ได้ท่านวัชโคดเมื่อได้ฟังพระดารัสดังนี้ก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ ง, งุนงงไปหมดแล้วหลงไปหมดแล้วแม้แต่ความเลื่อมใสในพระสมณะโคดมซึ่งมีเมื่อตอนเริ่มสนทนาก็ได้หายไปหมดแล้ว พระพุทธองค์ตรัสว่าวัดฉากควรแล้วที่ท่านจะงุนงงควรแล้วที่ท่านจะหลงไปเพราะว่าธรรมนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประนีตยังไม่ได้ด้วยตากะอยู่เหนือการติึตรองด้วยเหตุผลละเอียดบันดิตพึงรู้ได้ธรรมนั้นอันท่านผู้ซึ่งมีทิฏฐิอื่น มีแนวความเห็นอื่นมีหลักที่พอใจอย่างอื่นมีความเพียรที่ประกอบแบบอื่นนับถืออาจารย์สำนักอื่นยากจะรู้ได้ถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านเห็นอย่างไรพึงตอบอย่างนั้นพระพุทธองค์ทรงถามท่านจะเข้าใจว่าอย่างไรถ้าไฟลุกโลงอยู่เบื้องหน้าท่าน ท่านจะรู้ไหมว่าไฟนี้ลุกโผล่อยู่เบื้องหน้าเราวัชโคตตอบข้าพระองค์พึงรู้ได้พระพุทธองค์ตรัสถามแล้วถ้าใครๆถามท่านว่าไฟที่ลุกโผล่อยู่เบื้องหน้าของท่านนี้อาศัยอะไรจึงลุกโผล่เมื่อถูกถามอย่างนี้ท่านจะตอบเขาว่าอย่างไรวัชโคตตอบข้าพระองค์ก็จะตอบว่า ไฟที่ลุกโพล่อยู่เบื้องหน้าข้าพระองค์นี้อาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้จึงลุกโผล่ได้พระพุทธองค์ตรัสถามถ้าไฟเบื้องหน้าท่านนั้นดับไปท่านจะรู้ไหมว่าไฟเบื้องหน้าเรานี้ดับแล้ววัชกโธ ต, ตอบข้าพระองค์ก็ต้องรู้ได้พระพุทธองค์ตรัสถามแล้วถ้ามีใครถามท่านว่าไฟเบื้องหน้าท่านนี้ ที่ดับแล้วนั้นหายไปทางไหนทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทางทิศเหนือหรือว่าทางทิศใต้เมื่อถูกถามอย่างนี้ท่านจะตอบเขาว่าอะไรวัชโคตตอบท่านโคดมคำกล่าวอย่างนั้นใช้ไม่ได้หรอกเพราะว่าไฟนั้นอาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้จึงลุกโผลงอยู่ได้เมื่อเชื้อนั้นหมดสิ้นไป และไม่ได้เชื้ออื่นเติมไฟนั้นก็เรียกว่าหมดเชื้อดับไฟเท่านั้นเองแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าฉันใดก็ฉันนั้นแหละวัชฌะบุคคลเมื่อจะกล่าวเรียกปัถาคตก็กล่าวเรียกด้วยรูปด้วยเวทนาด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยวิญญาณใดรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณนั้นตถาคตละได้แล้วถอนรากเสียแล้วทําให้เป็นดุจตายอดด้วนถึงความไม่มีไม่มีความเกิดขึ้นต่อไปได้อีกตถาคตพ้นจากการนับว่ารูปพ้นจากการนับว่าเวทนาพ้นจากการนับว่าสัญญาพ้นจากการนับว่าสังขารพ้นจากการนับว่าวิญญาณเป็นเรื่องลึกซึ้งประมาณไม่ได้ อย่างได้ยากเปรียบเหมือนมหาสมุทรคำว่าเกิดก็ใช้ไม่ได้คำว่าไม่เกิดก็ใช้ไม่ได้คำว่าทั้งเกิดทั้งไม่เกิดก็ใช้ไม่ได้คำว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ก็ใช้ไม่ได้สิ้นสุดพระดำรัสปริพาชกวั ช, ชโคตรกราบทูลขึ้นว่าท่านโคโดมเหมือนต้นสาละใหญ่ต้นหนึ่ง ซึ่งกิ่งใบเปลือกสเก็ดและกระพี้หลุนร่วงหลุดล่อนไปโดยความเป็นอนิจจังแล้ววันหนึ่งก็เหลืออยู่แต่แก่นล้วนๆคาสั่งสอนของพระองค์ก็เหมือนกันไร้กิ่งใบเปลือกสเก็ดและกระพี้เหลืออยู่แต่คําอันเป็นสาระล้วนๆท่านวัชโคตรกล่าวยกย่องชื่นชมพระธรรมเทศนาว่าจำแจ้งเหลือเกิน และขอถึงพระรัตน์ไตรเป็นสารณะประกาศตนเป็นอุบาสกตั้งแต่วันนั้นพระสูตรนี้อัตถกถาเรียกว่าอกทิวัชสูตรจบอกทิวัชโคตรสูตร